MP3 แผ่นที่28สสร้างหลักให้ชีวิตสร้างจิตให้มีธรรมสร้างหลักให้ชีวิตชีวิตของพวกเราต้องมีหลักยึดหลักยึดอันดับแรกก็คือยึดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าว่าพวกเราไม่มีศีลธรรมจริยธรรมไม่มีคุณธรรม เราทำตามอำเภอใจหลักยึดของชีวิตคือการศึกษาการทำมาหาเลี้ยงชีพในทางที่สุดจริตในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการสร้างหลักให้ชีวิตถ้าจะพูดตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วคือให้มีศีลห้าถ้าบุคคลผู้ไรก็ตามมีศีลห้า เป็นหลักให้ชีวิตจากนั้นก็มีทานมีศีลมีสมาธิเสริมเข้าไปด้วยก็จะเป็นหลักให้ชีวิตอย่างมั่นคงแต่ถ้าว่าพวกเราไม่สร้างหลักให้ชีวิตเกิดมาแล้วไม่มีศีลไม่มีศีลห้าพูดง่ายๆจะฆ่าใครก็ฆ่าจะขโมยใครก็ขโมย จะลาละประลวงสามีภรรยาของใครจะกล่าวมุสาดื่มสุรามัวเมาตลอดทั้งชีวิตชีวิตนั้นก็เปล่าประโยชน์หาประโยชน์ไม่ได้เพราะนั้นจึงสร้างหลักให้ชีวิตก็คือให้มีศินห้าให้มีทานให้มีศินให้รู้จักเคารพวัยวุฒิคนวุฒิเคารพ บ, บุคคลที่ควรเคารพ บ, บูชาบุคคลที่ควรบูชา อันนี้คือสร้างหลักให้ชีวิตสร้างจิตให้มีธรรมจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ถ้าหังว่าปล่อยปะละเลยเคยว้งคว้างอ้างว้างปล่อยไปตามอำเภอใจที่จะต้องคิดใจของเราโดยมากมันจะคิดไปในทางต่ำมีแต่ทางราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงเป็นส่วนมากเพราะนั้นจะสร้างยังไงสร้างจิตให้มีธรรม ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ไปสร้างจิตให้มีธรรมอยู่ที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนพระองค์ทํำยังไงนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนั่นแหละท่านสร้างจิตให้มีธรรม จากนั้นจิตพระ อ, องค์ก็เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งจากเมื่อ น, นั้นรวมลงเป็นหนึ่งพระ อ, องค์ก็มีธรรมเกิดขึ้นในใจและลึกชาติทนหลังได้ว่าปุเพเนวาสานุจติยานพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตยานพอจวนสว่างได้อาสาวัคยายานนี่แหละคือสร้างจิตให้มีธรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เจ็ดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราถ้าพวกเราต้องการความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสร้างหลักให้ชีวิตคือให้มีศีลห้าสร้างจิตให้มีธรรมคือให้จิตใจเป็นสมาธิจิตใจให้อยู่ในความสงบถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้มีแต่ความสุขกับตัวของเราตลอดไปจนพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในที่สุด ด้วยอำนาจขุนพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองก็ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการ